วันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่กุฏิท่านพระอาจารย์นบของเราก็เต็มไปด้วยสมาชิกสโมสรวิญญาณกำลังชุมนุมถกเถียงกันถึงวิญญาณสุภาพและวิญญาณอันธพาลก็พอดีนายมั่นมาคราวหลังยังไม่ทันจะถึงกุฏิพอมองเห็นพวกเราก็ยกมือยกไม้ผิดสังเกตมาแต่ไกลวันนั้นผมนายอุทิตได้มาส่งข่าวการประพันธ์เรื่องรักแปลกๆบางเรื่องของผมที่จบลงและกาลังจะลงในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์บางฉบับ พอเห็นในมั่นเดินคาบบุรี่ยกมือยกไม้เราก็รู้ทันทีว่าในมั่นของเราต้องมีอะไรแปลกๆมาอีกแล้วพวกเราที่นั่งอยู่ก็หัวเราะกันคิกคักคอยฟังเรื่องที่ในมั่นจะนํามาเล่าให้กับเราฟังยังไงถ้าภาพยนตร์เรื่องใหม่กําลังจะเข้าโรงแล้วสิคุณนบถามเข้านั่นในมั่นหัวเราะแล้วก็ก้มลงกราบคุณนบกับพื้นต่อไปก็ไหวพวกเราทุกคนตามธรรมเนียม มีเรื่องใหม่มาทีเดียวล้วครับไปเจอมาสดสดร้อนๆผมเพิ่งจะกลับมาถึงกรุงเทพเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองนายมั่นเริ่มเรื่องไปไหนมาละ่ะคุณนพถามเป็นลอยเรือลำน้ําเจิ่งที่บ้านช้างโน่นนายมั่นว่าเอา้าไปบางช้างอัมพวาสมุทรสงครามมาเรอะคุณนพร้องโอ้ยเปล่าครับไม่ใช่บางช้างสมุทรสงครามหรอกครับบ้านช้างทางอายุทยานะครับเอ้บ้านช้างอายุทยานี่ไปทางไหน ฉันยังโง่มากมันเป็นตำบลหนึ่งไปทางบ้านทุ่งบ้านสร้างนี่เองลงรถเมย์ที่วัดบ้านสร้างแล้วก็ลงเรือเมย์เรือจ้างต่อเข้าคลองไปที่บ้านช้างอ๋อไปลอยเรือน้ําเจิงยังไงกันกําลังนี้หน้าน้ํานี่ครับท่านอายุธยาก็เป็นทะเลไปทั้งนั้นแหละยิ่งทุ่งที่ไปนี่นะน่าดูนักเชียวเวลานี้เรื่องงานหล่อพระเรื่องไงที่ไปกันอะ่ะอ๋อไม่หรอกครับเรื่องมันยุ่งเอาการ ในมั่นพูดแล้วก็ตบหัวตัวเองป๊อปอภรรยาผมเนี่ยเขาใช้ให้ไปนะสิให้ไปดูน้องสาวเขามีญาติจดหมายมาว่าน้องสาวคนที่ชื่อบรรจงน่ะผีจะเข้าเจ้าจะสิงยังไงก็ไม่รูุอา้าววุ่นอีกแล้วสิไปดูมาแล้วหรอดูหรือเปล่าว่าผีหรือเจ้าดูยังไม่ออกครับท่านมันชุลมุนอยู่ก็ต้องเล่าเรื่องเก่าซะก่อนผมอยากให้ท่านออกความเห็นในมั่นว่า ผมชอบฟังเรื่องของในมั่นนักเพราะว่าแกมีอะไรอะไรแต่ละคราวยุ่งยุ่งน่าสนใจน่าดูเรื่องมันอย่างนี้ครับที่บ้านของน้องสาวเมียผมเนี่ยก็คือบ้านช้างน้องสาวมีสองคนคนนึงชื่อประจวบมีสามีแล้วคนเล็กชื่อบรรจงก็อยู่บ้านช่วยพี่เขยช่วยพี่สาวทำไร่ทํานาแต่ว่าแม่ประจวบเนี่ยคนที่มีผัวนะเกิดตายด้วยโรคมะเร็งศพก็เผากันไปแล้วนะครับทีนี้ แม่น้องสาวเนี่ยเกิดผีเข้าขึ้นมาแต่ใครๆจะว่าผีพี่สาวเข้ามันก็ชักจะไม่แน่เพราะว่าบางทีกิริยาอาการมันเป็นชายท่าทางมันเมาเหล้าแต่ว่าบางทีก็มีกิริยาเป็นหญิงร้องไห้ร้องห่มทุกๆอย่างนี่ก็บ่งว่าเป็นผีผู้หญิงมันสับสนอยู่นะครับเรื่องมันว่าที่แถวนี้เนี่ยมันมีทั้งเจ้าทั้งผีในมั่นหยุดพูดแล้วก็มองดูคุณนพแล้วก็พวกเราทุกคนยังไงกันน่ยมีทั้งเจ้าทั้งผีคุณนพว่าครับวุ่นหนัก คืออย่างนี้ครับเรื่องมันเกิดเมื่อยังไม่ทันหน้าน้ําไอ้ที่ใกล้กับเรือนหลังนั้นเนี่ยมันมีป่าละเมาะใหญ่อยู่แล้วก็ที่ละเมาะนี่แหละฮะมันจะมีเจ้าหรือว่าผีก็ยังไม่แน่นักเรื่องเดิมเนี่ยมันมีอยู่ว่าหญิงชายคู่หนึ่งพากันหนีตามกันมาพ่อผู้หญิงเนี่ยเป็นนักเลงซะด้วยบ้านอยู่ทางทุ่งสามเรือนนูน่นส่วนเจ้าตัวผู้ชายเนี่ยก็เป็นคนใจเด็ดสู้คนคนนึงเหมือนกันรักกันพากันหนีมาซุ่มตัวชั่วคราวแล้วจะหนีไปต่อ หญิงชายคู่นี้ก็ชอบพอกันกับเจ้าพุกน้องเขยเมียผมนั่นแหละมาขออาศัยอยู่ชั่วคราวก่อนแต่ว่าพ่อผู้หญิงรู้เข้าก็เลยรีบตามมาทันทางฝ่ายเจ้าบ้านก็หนักใจรีบให้สองคนที่มาไปหลบซ่อนตัวในป่าละเมาะนั่นไว้ก่อนส่วนเจ้าพุกเนี่ยจะรับหน้าหาทางแก้ไขให้ก่อนแล้วพ่อผู้หญิงตามมาก็ไม่พบนะสิผมถามดักเข้าไว้ก่อนชั้นแรกก็ว่าจะไม่พบหรอกครับแต่แม่น้องเมียผมนะสิ เกิดกลัวเขาขึ้นมาโดนทั้งปลอบทั้งตัดพอ้อแล้วก็ขู่ก็เลยพลั้งปากกับเขาว่ามาอยู่จริงเวลานั้นกลัวลงไปแอบอยู่ในปล่าละเมอแม่บรรจงรับหน้าที่จะเป็นคนไกล่เกลี่ยให้ทางพ่อนักเลงก็ว่าถ้าลูกสาวเขายอมกลับไปกับพ่อพ่อก็ขอเพียงฟันหัวลูกเขยเอาเลือดล้างเท้าเท่านั้นก็จะกลับถ้าคิดหนีหรือจะสู้ก็ฆ่าตายทั้งคู่เลยให้ลบล้างกับที่ทําให้เขาเสียชื่อเสียงนักเลงอย่างหนักอ๋อจะเอาลูกสาวไปทําไมล่ะ ลงหนีตามกันมาละมันก็เสียตัวกันไปแล้วผมและใครๆก็ร้องอย่างนั้นก็นั่นนะสิครับนักเลงนั่นก็เอาแต่อารมณ์บ้าๆได้มั่นว่าตกลงบรรจงเขาก็ไปทําการพูดจากับ2คนนั้นฝ่ายชายก็ตอบว่าการจะกลับไปกับพ่อน่ยก็ต้องถามฝ่ายหญิงก็ดูถ้าผู้หญิงยอมกลับเขาก็ตามใจผู้หญิงส่วนการจะเอาเลือดล้างตีนน่ยก็ยอมละแต่ก็ต้องขอสู้อย่างลูกผู้ชายไหนๆพ่อจะมาแย่งเอาเมียกลับแล้วจะอยู่ไปทําไม ก็จะขอตายซะเลยฮะจริงของเขานะ่ะคุณสมัยว่ามาเอาเมียไปแล้วก็ยังจะต้องเจ็บตัวอีกใครจะยอมบ้ า, าจริงเป็นผู้ใหญ่แบบนี้เป็นนักเลงแต่ไม่มีอารมณ์นักเลงเอาเลือดหัวนะ่ะยอมให้ได้แต่จะเอาเมียกลับซะด้วยสิหมามันยังไม่ยอมเลยคุณสมัยพูดอย่างเกลี้ยวกระดถึงว่าสิไม่เข้าท่าในมั่นครางฝ่ายหญิงก็เลยเด็ดขาดขึ้นมาพูดว่าถ้าพ่อจะเอาอย่างนั้น สคนเรายอมตายขอให้พ่อล้อมยิงเข้ามาเถอะในป่าละเมาะนี้จะนั่งเฉยๆให้ยิงนี่แหละนางบรรจงก็นําเอาคําเหล่านั้นมาแจ้งกับพ่อเขาแทนที่จะพ่อนักเลงคนนั้นจะคิดได้หรือเห็นใจลูกสาวรักลูกสาวกลับพาพวกลงจากเรือนไปล้อมละเมาะยิงเข้าไปเลยยิงอยู่หลายนัดจนสักครู่จึงได้ยินเสียงปืนข้างในป่าละเมาะดังขึ้นสองนัดแล้วก็เงียบหายไปฝ่ายที่ล้อมอยู่เห็นผิดสังเกตก็บุกเข้าไปดู พบว่าสองหนุ่มสาวฆ่าตัวตายเองทั้งคู่ไอพ่อกับพวกก็เลยทิ้งศพลูกสาวแล้วก็ลูกเขยหนีไปดูสิครับนักเลงอย่างเนี้ยโบดาณเขาไม่เรียกว่านักเลงหรอกในมั่นว่าไอพ่อชนิดนรกจบ ก, กระเปรดแบบเนี้ยคนแถวนั้นก็เลยต้องเอาศพ2หนุ่มสาวนั่นเผากันพอต่อมาคนแถวนั้นบรรดานหนุ่มๆสาวๆก็เคารพน้ำใจเอาดอกไม้ทูบเทียนไปบูชากันอยู่แถวๆป่าละเมะนั่นแหละครับ แต่ว่าเขาจะบูชาแบบเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือว่าบูชาแบบผีเขาก็ไม่ได้บอกก็เลยเป็นอันว่าไม่รู้ว่าสองคนนั้นจะเป็นเจ้าหรือเป็นผีอ้าวอย่างงั้นผีสองคนนั่นแหละที่เข้าแม่บรรจงน้องเมียในมั่นบางทีผู้ชายมาเข้าผู้หญิงมาสลับกันเพราะว่าเขาก็ต้องตายไปด้วยกันเพราะแม่บรรจงไปบอกกับพ่อเขาว่าทั้ง2แอบอยู่ที่นั่นคุณนกพูดแต่ก็อีกนะครับ ท่านลืมไปว่าพี่สาวของบรรจงเนี่ยก็ตายเหมือนกันนี่ครับจะเป็นผีใครกันแน่ในมั่นทวงบะจริงสิลืมไปมันก็ตายซ้อนกันที่นั่นถึงสามศพคุณนบพูดยังอีกครับในมั่นร้องยังมีชายมาตายซ้อนอีกศพหนึง่งอา้าวทำไมมันวุ่นวายแบบนั้นล่ะคุณนบร้องวุ่นสิครับมีคนบ้าอีกคนนึงชื่อว่าไอ้ขวานเขาว่าไอ้นี่เนี่ยมันหลงรักนางคนที่หนีมา พอรู้ข่าวว่ามาตายคู่กับชายคนนั้นก็ตามมาจนพบที่ป่าละเมาะนั้นโดยจ้างเรือจ้างมาเมาเหล้าแปรมาเชียวพอถึงตลิ่งก็ตรงไปที่ละเมาะนั้นด่าท้าทายผีในนั้นให้ออกมาแสดงตนพอมองเห็นทูกเทียนและดอกไม้พวงมาลัยเกะกะก็หัวเราะเยาะลั่นร้องว่าอ๋อนี่กลายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปแล้วหรออ้าวเจ้าแม่หรอกูนี่แหละจะเอาดอกไม้นี่ถวายมึง พูดแล้วก็ทำการปัสสาวะรดลงไปแถวที่ที่คนอื่นบูชาเปียกป้อนไปหมดเสร็จแล้วก็กลับลงเรือจ้างกลับไปทางบ้านสร้างแต่ยังไม่ทันถึงที่ก็มีคนตามไปแยะทะลุงกันซะตายคาเรือจ้างส่วนคนแจวเรือเนี่ยก็ต้องโดดน้ำหนีเข้ารกเข้าพงเอาตัวรอดเอถูกคนฆ่าหรือไม่ใช่เจ้าฆ่าหรือครูพยงถามคนสิครับในมันตอบ เอาใครไม่ได้ซะด้วยคนเรือจ้างบอกว่าจาใครไม่ได้ตัวเองก็รีบหนีเอาตัวรอดไปอืมคนเรือจ้างก็ต้องรู้บ้างนะครับอยู่บางเดียวกันผมออกความเห็นเห็นจะจริงในมั่นว่าก็รู้จักก็ต้องบอกว่าไม่รู้จักเกิดไปทำเป็นรู้แล้วก็จําแม่นมันจะอยู่บางนั้นได้หรือในมั่นพูดจบแล้วก็หัวเราะเออจริงของคุณคุณมั่นคุณสมัยพูดเกิดเป็นคนก็ต้องถือภาสิตรู้หลบเป็นปีกรูหลีกเป็นหางไว้ก่อน ในขวานนั่นก็ตายอย่างบ้าๆโดยใช่เหตุครูพยุงว่าถึงว่านะครับในมั่นว่าการดูหมิ่นดูแคลนเนี่ยผู้ใหญ่ห้ามว่าอย่าทำทั้งผีสางนางไม้ทั่วไปอย่าไปหมิ่นเขาบางทีผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นยังไม่ได้ทำอะไรก็โดนเอาของแข็งจากชาวบ้านเข้าแล้วเขานับถือของเขาอยู่นี่ครับไปทำไม่ดีเข้าเขาก็หาว่าดูหมิ่นเขาท้าทายเขามันก็เจ็บตัวเท่านั้นเองเออคุณนบร้อง ก็เลยยังดูไม่ออกว่าเจ้าหรือผีเพราะว่ามันหลายผีด้วยกันพวกเราฟังเรื่องที่เป็นคติสอนใจดีไม่ว่าอะไรทั้งนั้นขัดคอคนขัดใจคนไม่ดีแน่ชอบไม่ชอบควรนิ่งไว้ในใจภาษิตที่ว่าขัดไม้ขัดไรเป็นเงางามขัดคอคนก็ปากแตกเมียในมัน่นเขาให้ในมั่นไปดูนะ่ะจะให้ทำประการใดหรือจะให้ไหลผ่ผีหรือว่ายางไรคุณนพถาม ปะโทให้ผมไล่ผีเน่ะเหรอมันจะกลับมาไล่ผมเพ่นไปนสิที่เขาให้ผมไปดูนะ่ยถ้าเหมาะอย่างไรก็ให้ผมเนี่ยนําตัวเอามากรุงเทพนําตัวเข้าหาแพทย์จะปลอดภยัยถ้าขืนปล่อยจะเป็นบ้าได้ง่ายๆที่เมียผมพูดน่ยมันก็จริงอยู่หรอกครับแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ก็ต้องดูให้จำๆก่อนสุม 4, ส่มสี่สม5้าจะเจ็บตัวใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเจ้าน้องเขยคนนี้นะ่ยมันมีอะไรอะไรอยู่กับนางบรรจงบ้างหรือเปล่าดีไม่ดีมันจะวาดเอาผมโดดน้ําหนีไม่ทันนะครับ ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันน่าน้ําไม่มีแผ่นดินเดินเป็นทะเลไปทั้งบางเลยที่ป่าละเมาะต้นเหตุ น, นั้นก็เป็นทะเลต้นไม้ก็ยืนแช่น้ําใครจะมากราบไหว้เจ้าจพ่อเจ้าแม่ก็ต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนมาผูกกับกิ่งไม้ทั้งนั้นโอ้โหทุกๆุกบ้านก็เท่ากับอยู่กับแพน่ะสิแบบเนี้ยครูพยุงร้องคนที่นั่นเนี่ยเขาเคยกันครับอยู่กันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกไม่มีใครบน่นหรือว่าราคาญหรอกครับมีเรือด้วยกันทุกบ้าน ผมไปค้างมาคืนหนึ่งนอนไม่ค่อยหลับฟังเสียงน้ําไหลบ้างปลาผุดบ้างฟังอี้ยบรนจงแกคลั่งพูดทั้งคืนเสียงว่าเกิดเป็นหญิงต้องให้ได้อย่างกูตายเป็นตายคํานี้ฟังว่ามันคือเจ้าแม่ละ่ะบางคําก็ว่าชัดๆเจ้าแม่เรอะดอกไม้นี่แหละจะบูชาพูดจบก็หัวเราะคํานี้มันก็ชัดว่าเป็นคําของไอ้ขวานแน่ๆประเดี๋ยวแม่พูดต่อไปอีกเฮ้ยไอ้หมาเดี๋ยวพ่อหักคอซะนี่เสียงนี้ต้องเป็นเสียงเจ้าพ่อล่ะ ต่อไปอีกก็เป็นเสียงที่ว่ากูตายแล้วใครจะครองที่ก็เชิญถือว่าตามใจมึงคํานี้มันจะเป็นใครไปได้เล่านอกจากคําของนางพี่สาวที่ตายในมั่นเล่าแล้วก็สั่นหัวไปทั่วพวกเราที่ดูมามันก็พบแต่ผีผี ส, สางๆกันเรื่อยคุณสมัยว่าครับในมั่นรับคำผมในอุตสาหากินด้วยการหล่อพระแล้วนะผีมันก็ยังไม่กลัวผมโดนไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนคุณนบหัวเราะ เราก็พลอยหัวเราะไปด้วยเพราะว่าผีไม่กลัวคนหล่อพระโดยว่าคนหล่อนั้นไม่ใช่ตัวพระเองผีก็เลยไม่เกรงกลัวอะไรความจริงคนที่ถูกผีเข้าเจ้าสิงเนี่ยลำบากมากจะเจ้าเข้าหรือว่าผีเข้าก็ตามความที่เข้าไปนานๆสติจะวุ่นวายกลายเป็นบ้าเรื่องของเรื่องมันก็มีความพบเห็นอะไรๆที่มันน่ากลัวขนพองสยองกล้าวจิตใจมันก็อ่อนคุมสติไม่อยู่จะผีจะเจ้าเข้าก็ได้ทั้งนั้น หากได้ทางแพทย์ช่วยจะมีทางล้างหัวใจที่สุ่มไว้แต่ความกลัวนั้นได้มันเกี่ยวกับประสาททิ้งไว้นานจะลําบากคุณนพชี้แจงครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวมาได้ยังไงในมั่นบนดีไม่ดีไม่เกิดโวยวายขึ้นบนรถเมย์ผมนี่ตายเลยผมกลัวจริงๆคนแบบเนี้ยครึ่งดีครึ่งบ้าเพราะวญาติเขามีจดหมายไปบอกเมียผมรอบครับเมียผมก็เลยให้ผมเนี่ยไปดูแต่ดูมาแล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเอาแล้วพี่เคยเขาว่ายังไงล่ะ คุณนบถามกระดูมันห่วงกันอยู่มากเท่าที่ผมเห็นน่ยนะครับถ้าพูดกันดูเรื่องช่วยกันเอาตัวไปโรงพยาบาลบ้านสมเด็จที่คลองศาลเนี่ยน่าจะดีกว่าแพทย์เขาจะได้แก้ไขหรือว่าแนะนําอะไรให้มารักษากันเองที่บ้านก็ได้ถ้าห่วงใย่กันมากคุณนบแนะนําในมั่นฟังแล้วก็ถอนหายใจเฮือกถ้าหากว่าหาของดีไปผูกคอไว้บ้างก็พอจะช่วยป้องกันได้บ้างไหมครับในมั่นถามคุณนบฉันกลัวจะไม่ได้ผลเนีสิ คุณนพถูกในมั่นถามนิ่งไปอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นทางวิยศาสตร์นะนะผู้ที่จะมีของดีมาคุ้มกันก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเชื่อมั่นด้วยเหมือนกันจึงจะเป็นกำลังช่วยให้เกิดผลตามที่ตั้งใจใช่ว่าจะเอาของดีไปผูกต้นไม้มันจะให้ผลอะไรยิ่งแม่คนไข้คนนั้นก็สติไม่ค่อยจะแน่นอนคุ้มดีคุ้มร้ายมันก็ไม่ได้ผิดกับต้นไม้หรอก พวกเราฟังเหตุผลแล้วก็นิ่งไป ต, ตามๆกันเพราะว่าคนที่กำลังมีอาการผีเข้าเจ้าสิงก็จัดว่าสติไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยอยู่แล้วเสียเวลาไปหาของดีเอามาเหมือนยื่นแก้วให้ลิงผมมาวันนี้เมียผมขอให้ท่านเป็นผู้ออกความเห็นชี้ขาดว่าควรจะทำอย่างไรเพราะว่าแม่คนนี้เขายังสาวอยู่หากมีลูกมีผัวไปแล้วก็สุดแต่ผัวเขาหมดห่วงไปนมั่นว่าเพียงออกความเห็นน่ได้แน่ แต่จะให้เป็นตัวตั้งตัวตีน่ะดีไม่เท่าในมัน่นหรอกเพราะว่าเกี่ยวกันเป็นทางญาติโดยตรงในมั่นควรไปเอาตัวคนไข้มากรุงเทพส่งให้แพทย์เขาดูเถิดคุณนบว่าในมั่นตกลงรับคำคุณนบเพราะถือว่าเป็นอาจารย์เขาผัดว่าขอเวลาอีกสามสี่วันจะส่งข่าวให้ทราบแล้วในมั่นก็ลาจากไปคณะสโมสรเราก็ปรงอนิจจังชะตาชีวิตในช่างหล่อพระแก่ไปพบอะไรมาแต่ละทีนี่ดูยุ่งวุ่นวายทุกราว นับแต่ภาพปั้นพ่อผัวของคุณนายเศรษฐีนั่นแล้วยุ่งมาถึงชาวสโมสอนของเราด้วยแต่ว่าก็ดีไปอย่างหนึ่งเหมือนกันที่นายมั่นเนี่ยได้พึ่งพาอะไรต่ออะไรจากคุณนายนั่นเหมือนกันจนทุกวันนี้อีก3มวันต่อมาผมได้ข่าวจากนายมัน่นจากปากคำของคุณสมัยว่านายมั่นได้ไปที่บ้านช้างทางบ้านสร้างนั่นอีกตามที่พูดไว้แล้วก็เดินทางไปอย่างสุขุมรอบคอบ คือแกไปขอยืมรถจิบคุณนายคิดว่าถ้าน้องเมียแกจะคลั่งโวยวายขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นรถส่วนตัวแต่ว่าแผนการที่ตั้งไปก็ล้มเหลวเมื่อในมันไปถึงบางที่บ้านคนลอยน้ำนั้นแล้วฝ่ายน้องเขยเจ้าบ้านไม่เห็นด้วยในแผนการของในมันโดยเขาให้เหตุผลว่าคนที่ผีเข้าเจ้าสิงนั้นจะจัดเอาเป็นคนบ้าก็ยังไม่ถนัด บางเวลาก็มีสติดีเป็นธรรมดาการที่จะเอาคนไข้อย่างนี้ไปโรงพยาบาลบ้านั้นเขาจะเกิดน้อยใจว่าทุกคนเห็นเขาเป็นคนบ้าอาจจะโกรธแล้วก็โวยวายจนคลุมคลั่งกลายเป็นบ้าไปจริงๆและน้องเขยเขาก็มีความห่วงใหยเท่ากับคนอื่นๆทั้งเขาเองก็เคยปกครองมาแต่ไหนแต่ไรทำไมไม่ปล่อยเขาบ้างเขาจะหาพระแถวนั้นมาทำน้ำมนตร์รดพอแก้แล้วก็กันไว้ก่อนจนกว่าจะค่อยอยางชั่ว แต่ว่าข้อใหญ่ใจความก็คือน้องเคยได้สารภาพว่าเขากับแม่บรรจงก็แอบผิดประเพณีกันไปแล้วตั้งใจว่าข้อยังชั่วจะเข้ามาสู่ขอต่อพี่สาวทำการตกแต่งตามธรรมเนียมพอในมั่นรู้ดังนั้นก็หงายหลังเท่าที่คิดเกรงเกรงอยู่ตั้งแต่แรกมันก็เป็นความจริงซะแล้วในมั่นจึงต้องนำเอาเรื่องมาเสนอกับภรรยาตามระเบียบจะว่ากล่าวอย่างไรก็สุดแต่อานาจของพี่สาว